แล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ยังคาปีที่23นะของการที่มาสร้างวัดสุภัทบันพศือวัดม า, าบจันทร์นี่นะคปีที่23โดยเริ่มต้นมาอยู่ในครั้งแรกก็วันที่27จพฤศจิกายน นะ 2,527 นั่นแหละนะมามาครั้งแรกก็เริ่มต้นที่ได้สร้างกุฏินำะมาห้าหลังเบื้องต้นก็ได้มาปรากฎภาวนาปฏิบัตินอนในกฎก็ประมาณสักเดือนครึ่งและก็สร้างกุฏินั่นะก็ทำถนนถนนที่เราวิ่งเข้ามานันะก็จะต่ำมากนะ รู้สึกว่าตลิ่งก็จะอยู่ในทั่วหัวของเราเนี่ยสองข้างทางเป็นทางที่เขาใช้นลดลากส่งวิ่งเอาสูงออกไปทำไม้ก็กค่อยๆพัฒนาเกินขึ้นมาเ็นว่าได้สร้างศาลาสร้างคุตวิหารตลอดจนว่าได้สร้างพระอุโบสถและก็ได้ฉลองเสร็จไปเรียบร้อยนี่ จำนวนพระพิสุสมณีนนก็มากขึ้นทุกปีในปีแรกก็จะเป็นพระ7รูปสมณีนนหนึ่งนีพระ8สมณีนนหนึ่งก็มากขึ้นทุกปีแล้วก็พระเทราหลายองค์ที่ได้มาฝึกที่นี่ก็ได้ไปสร้างวัดขยายวัดไปในที่ต่างๆจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดด้วยกันพระพิสุทธิสมณีนนที่เข้ามา ตั้งใจมาพึ่งปฏิบัติที่มาบวชสมเดือนด้วยหรือภรษาหนึ่งหรือที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติทมตามบุญวัสนาบา ร, รมีก็มากขึ้นนะปีนี้ก็พระพิสุสม์เนงก็เกือบจะ50รูปทั้งที่ได้ออกไปอยู่ตามสาขาที่เชียงใหม่บ้างนันกวิชาชีพ ม, มาหรือว่าที่ระยองก็ส่งออกไปก็ประมาณ สิบกระรูปนะยังได้ว่าดริยบรญมีของพระพุทธเจ้านัพระธรรมพระสงค์นี่นาความดีที่ญาติโยมทั้งหลายทุกๆคนที่มีจิตศรัทธาได้ช่วยกันทำนุบบำรุงพุทธศาสนาไม่ได้ของคนใดคนหนึ่งนาที่จะมาดูแลหรือบางครั้งตามสมมติก็เรียกว่าเป็นคนอุุปถากต์วัด ส่วนมากแล้วก็อาศัยนํกจิตนําใจศรัทธาของพวกเราทุกคนนี่แนะำว่าอุปถักนั้นก็คือผู้ที่ดูแลหรือมาช่วยเหลือในกิจการงา น, น, นของคณะสงฆ์ของวัดนะทุกๆวัดนี่แหละถ้าเรารวมแล้วเราจะมาเรียกว่าผู้มีจิตศรัทธาก็าได้เพราะว่าต้องอาศัยกัน ถ้าเป็นของคนใดคนหนึ่งที่จะมาช่วยก็คงจะไม่ได้สำเร็จประโยชน์ไปได้เหมือนพระสงฆ์นี่เองมารวมกันก็เป็นคณะสงฆ์ญาติโยมก็คือคณะศรัทธาที่มีจิตเลื่อมใสทุกๆคนนั่นแหละตั้งแต่ว่าส่บาทหนึ่งทพีก็มีความหมายอย่างเช่นพระสารีบุตรพระเถระครั้งหนึ่งท่านมิตาบาดในเมืองราชคื ก็มีพรามคนหนึ่งก็เลยใส่บาตรท่านหนึ่งทพีท่านก็เลยมีอายุยืนยาวมาอยู่ได้จนถึงวันต่อมาพอดีพรามคนนี้ก็มีศรัทธา ม, มาบวชในพระศาสนาชื่อวตารพรามเป็นเป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วจะไปขอบวชที่ไหนก็ไม่มีใครรับ ว่าจะเป็นภาระแก่พระวิชาอาจารย์หรือคณะสงฆ์แต่พระพุทธเจ้าก็เห็นวาสนาบบารมีของฐารพามนี้จะเป็นผู้มีวาสนาบารมีในภายหน้าจึงได้ตัดถามในที่ประชุมสงฆ์ว่าใครจะรับธารพามนี้ไปสมบตบ้างพระสารีบุตรพระมหาเถระก็รับธารับพามนี้ พระสมบูรณ์รับเป็นพระอุปชาร์ให้พระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอเห็นคุณอย่างไรเห็นประโยชน์อย่างไรบอกในครั้งหนึ่งข้าพุทธเจ้าบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์นี้วันนั้นทารพามผู้นี้แหละได้ใส่บาตรข้าพเจ้าหนึ่งทพีทําให้ข้าพเจ้านั้นข้าพุทธเจ้ามีอายุยืนยาวขึ้นมาได้หมดจากความลําบากเห็นคุณข้อนี้ ยังจะสงเคราะห์ธารพามพระเจ้าจึงตรัสว่าดีแล้วพระศาริบุตรนะเธอเป็นผู้ที่มีกระตันยูเป็นผู้เลิศทางกตันยูกตัตเวทิตาอีกข้อหนึ่งที่พระศาริบุตรพัทธรรมเสนาบดีได้รับการยกย่องจากพระศาสดาของเราส่วนท่านธรารพามนี้เมื่อเข้ามาอบรมบุตรแล้วมาบวชเป็นพระภิกษุใหม่ภิกษุชลา แต่ว่าเธอก็มีความวิริยะอุสาหะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายาเพื่อปฏิบัติในตามคําสอนของพระศาสาีาบุตรอย่างดีจนในที่สุดเธอก็ปฏิบัติก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์สมเด็จพระศัสดาเข้าไปองค์สมเด็จพระสาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดถามพระศาสดาบุตรว่า พระภิสุธาระนี้เป็นอย่างไรพระสารีบุตรก็ตอบพระพุทธเจ้าไปว่ากับทูลกับเรียนว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเชื่อฟังทุกอย่างพระเจ้าก็เลยตัดสรรเสริญท่านธาระผามว่าเป็นผู้เลิศในเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายกว่าวิสุทธ์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้แหละกับผู้ที่มีศรัทธาแม้ตักข้าวทัพีเดียวนั้น ก็ยังประโยชน์ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้พวกเราทุกๆคนที่ได้เข้ามาวัดสุภะธะบรรพลวัดมัฟจันเริ่มต้นตั้งแต่ว่าสร้างวัดกันมาจนถึงปัจจุบันก็อาศัยพวกเราที่มีศรัทธาในพระพุพทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองที่ช่วยกันดูแลถวายจะตุปใจทายทานเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆคนนี้ จึงเป็นกำลังของพุทธศาสนาด้วยกันทั้งนั้นเพราะขึ้นชื่อว่าศรัทธาแล้วเกิดขึ้นในใจด้วยจิตที่มีความบริสุทธิ์ด้วยทรัพย์ที่มีความบริสุทธิ์เป็นสาคัญถ้าทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์แม้น้อยก็มีค่ามากทรัพย์ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นแม่มากก็มีค่าน้อย ในการสร้างคุณงามความดีก็มีผลน้อยแต่ทรัพย์ที่มีความบริสุทธิ์นะขึ้นมานั้นได้จากการทําการงานของเราได้สุจริตเมื่อเรามีจิตใจที่มีศรัทธาแล้วถวายในพระสงฆ์ผู้สงศินขึ้นไปย่อมจะมีอนิสงส์เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้มากทีเดียวแม้ว่าเราจะไม่ปรารถนาในบุญนั้น ก็จะได้อยู่เองเพราะฉะนั้นจึงอันดับแรกในปีย่างปีที่23นี้บสนีขออนุมโมทนาในศรัทธาญาติโยม ท, ท, ท, ท, ทุกทุกคนทุกๆท่านที่ได้ช่วยกันร่วมกันและสิ่งที่สาคัญนั้นเมื่อเราได้สร้างวัดแล้วก็เป็นสิ่งที่ภายนอกสร้างวั ด, วดตั้งวัดเสร็จเรียบร้อยถ้าขาดการประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่มาประพฤติปฏิบัติ เราก็สร้างวัดแต่เป็นวัตถุข้างนอกท่านเองให้แต่พระเจ้าพระสงฆ์ปฏิบัติไปอย่างเดียวก็ได้บุญอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเราได้มาปฏิบัติ ด, ด้วยได้มาใช้สถานที่ได้มาปฏิบัติภาวนาก็จะเกิดประโยชน์แก่เราเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่สร้างแต่วัตถุทางพุทธศาสนาจะสร้างบุคลากรบุคคลทงพุทธศาสนาด้วย ถ้าไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์มาบวชปฏิบัติก็ประโยชน์น้อยอีกเหมือนกันแต่เมื่อมาถึงในปีนี้แล้วพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีมากจานวนมากไม่คิดว่าจะมีมากขนาดนี้เหมือนกันพร้อมกับศรัทธาที่เรามาปฏิบัติกันในวันเสาร์ต้นเดือนสุขเสาร์วอาทิตย์หรือวันในวันเสาร์วอาทิตย์ธรรมดาก็ตามก็มีผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยกัน ปฏิบัติภาวนาเพื่อที่จะได้ศึกษาในคําสอนขององค์สมเด็จพระศ า, าสดาพระสมมาธรระเจ้าแม้ว่าพระองค์นั้นจะเสด็จดับขันพระนิพพ า, านไปแล้วก็ตามแต่พระองค์ก็ตัดวัตธรรมและพระวินัยนั้นเป็นองค์แทนของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี้มาปฏิบัติมีศีลธรรมศีลธรรมนี้ก็เป็นองค์แทนของพระสัสดาเหมือนกัน สมาธิธรรมปัญญาธรรมก็เป็นองค์แทงของศาสดาเหมือนกันสติธรรมก็ดีที่พวกเราพยายามฝึกฝนหรือพยายามอบรมจิตใจของเราอยู่เสมอก็จะเป็นองค์แทงขององค์สําเร็จพระศาสดาเหมือนกันก็ขอให้เรานี้มีความตั้งจิตตั้งใจประพฤตปฏิบัติคุณงามความดีวันในชีวิตหนึ่งของเราเนี่ย เราก็เป็นผู้ที่โชคดีว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งกายทั้งใจพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่พระองค์ก็ตัดไว้แล้วว่าการกระทํานั้นบุญมีจริงบาปมีจริงหรือว่าสวรรค์ก็มีจริงนรกก็มีจริงนิพพานมีจริงถ้าเกิดว่าบุญผลนของบุญไม่มีบาปผลนของบาปไม่มีหรือนรกสวรรค์ไม่มีนอ น, นิพพานผม ผิตภัณจะมีได้อย่างไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จิตของเราเนี่ยจะเวียนว่ายตายเกิดจิตของคนเรานี่แหละนะทุกดวงนี่แหละมันจะเวียนว่ายตายเกิดไปได้อย่างเช่นว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พร้อมด้วยกําลังสติปัญญาต่างๆเนี่ยก็เกิดจากที่เรานะั้นอะ่ะได้ทํามาแล้ว บุเพฆตะบุญจตาบุญที่ได้ทํามาแล้วแต่ปางก่อนสะสมอบรมมาบุญที่ทําไปแล้วแต่ปางก่อนนี้จะเป็นทานก็ดีเป็นศีลก็ดีเป็นการภาวนาก็ดีได้ทํามาแล้วบางครั้งเกิดมาในชาตินี้เราอาจจะหลงไปเพราะกเกลียบยังครอบงำอยู่ก็หลงไปเกิดความโลภความโกรธเกิดความหลงในใจ แต่ต่อมาเมื่อศาสนาบารมีบุณกาวของเราให้ผลแล้วเราก็มีความสนใจในพระพุทธศาสนาเข้ามาประพฤติปฏิบัติเข้ามาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างผสจากที่ไม่เคยได้ใส่บาตรฟังธรรมก็สละเวลาของเราความสุขในวันที่วันหยุดก็มาใส่บาตรมาฟังธรรมมาปฏิบัติมาสวดมนมต์วัด อันนี้จิตใจอย่างนี้นะ่ะเป็นจิตใจของเทวะและเทวดาและจิตใจที่ประเสริฐเพราะถึงพร้อมด้วยความหิริความระอายโอตปะปความเกงกลัวต่อบาปไม่นิ่งนอนใจไม่ประมาณในชีวิตไม่หาความสุขในการกินอยู่รับนอนอย่างเดียวสแสวงหาที่เพึ่งที่พิงทางใจของเราเพราะเราก็ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอน ความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายในที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายเมื่อเราเลิกถึงความตายอย่างนี้อยู่เสมอตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างเช่นปชิมโอวาตขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เทศสอนเป็นปชิมโอวาตก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันพระนิพพานให้ภาษาวกนั้นจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อบุคคลใดตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็เป็นมงคล ของชีวิตเพราะชีวิตนี้เมื่อมันขาดลมหายใจแล้วก็เรียกว่าตายก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมากับเราเมื่อไหร่เป็นของไม่แน่นอนควรที่เราจะค้นขวายสร้างคุณงามความดีเอาไว้ในใจให้มากเพื่อเป็นที่มั่นใจของเราให้ได้ว่าเมื่อร่างกายนี้มันแตกดับทำลายลงไปแล้วโลกในภายหน้าพบในภายหน้านั้นเราก็จะไปเกิดในภพที่ดี อบที่มีความสุขหรือเราจะเรียกกันว่าเป็นสวรรค์ซึ่งแบ่งเป็นหลายชั้นตั้งแต่ภูมิวเทวดาขึ้นไปนับปรลุกเทวดาภูมิเทวดานะเทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์นี้ซึ่งบางคนก็อาจจะได้สัมผัสหรือได้เห็นขึ้นมาได้เหมือนกันเมื่อเราได้ฟังเทศฟังธรรมส่วนมนธรมำวัด ใส่บาตรทำงานกุศลบางทีก็มีเราเทวดามาอนุโ ม, ม, มทนากับพวกเราที่ได้สร้างคุณงามความดีได้ไหวพระได้สมทานศีลใส่บาตรฟังธรรมอย่างนี้เป็นตน้นเป็นเทวดาที่มีจิตใจที่ประเสริฐหรือพวกเราที่ได้มาปฏิบัติจิตใจของเราก็เป็นเทวดาเหมือนกันนะักเข้าภูมของเทวดาทเทวดาจึงได้มา สู่ในสถานที่ที่เราได้สร้างความดีได้เพราะเรามีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีเหมือนกับเทวดาเขานั่นเหมือนสมัยที่เทวดาเป็นมนุษย์ก็ได้สวดมนต์ทาวัดใส่บาทฟังธรรมสมาทานศีลอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเรา น, ะนั้นน่ะบางครั้งหลงไปไปทำบาปทากรรมแล้วเทวดาก็ไม่อยู่ด้วยเพราะเป็นจิตใจที่ร้อนร้อนไปด้วย ราคาโทสะโมหะแล้ว ท, ท่านก็ไม่อยู่ละเพราะจิตของท่านละเอียดถ้าจิตของเราประกอบพ้วยกรรมที่ละเอียดคุณงามความดีมีทานศีลภาวนาเทวดาก็อนุโมทนาสาธุ ก, การเราเองก็จะรู้สึกได้มีปิติมีความสุขใจในขณะที่ประกอบคุณงามความดีอันเป็นกุศลธรรมเมื่อเราพากันมันัฝึกฝนอบรมจิตใจของเราอย่างนี้เรื่อยไป พยายามทำให้มากขึ้นโดยเฉพาะว่าการปฏิบัติภาวานาการรักษาจิตของเราเมื่อเรารักษาจิตของเราปฏิบัติภาวานาให้มากขึ้นนั้นจิตใจจะถูกพัฒนาก้าวหน้าไปตามระดับบางครั้งจิตจะสงบขึ้นมาเป็นสมาธิอาจจะเห็นสิ่งที่เราหลงยึดหลงถืออยู่นั่นแหละ่าเป็นตัวเป็น ต, น, ตนสัตว์บุคคลเราเข้าจริง อาจจะเห็นขึ้นมาได้ถึงมิมิของรูปของนามว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเพียงสมมติบัญญัติขึ้นมาให้เราได้รู้ให้เราได้เข้าใจกันแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎตามเหตุตามปัจจัยพอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ ตามที่องค์สมเด็จพระสัสดาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงเทศสอนท่านพัญญาโกธัญญะได้พิจารณาแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศกวัตธรรมัจจกับปปัตนสุดถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ก็ตามถ้าพวกเรานี่มองเห็นว่าวัตถุสิ่งของทั้งหลายอันเป็นสิ่งภายนอกเป็นวัต ถ, ถุธาตุรูปนามภายในนี้ หรือรูปนามภายนอกของคนอื่นก็ตามก็มีลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่แตกต่างกันถ้าเราไปหลงยึดหลงถืออยู่นั้นก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์รารูปนี้เขาไม่เป็นไปนตามอำนาจที่เราของใครที่จะบังคับบัญชาได้อย่างสังขารร่างกายนี้แหละรูปนี้ใจจะบอกว่าไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายแต่รูปนี้เขาก็ไม่ฟัง เขาก็เสื่อมสิ้นไปอยู่ตามเหตุตามปัจจัยเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วเขาก็จะต้องดับไปใครจะดีใจเขาก็มาเดชสนใจอะไรใครจะเสียใจเขาก็ไม่ว่าอะไรธาตุขันธ์นี้เขาก็เป็นอย่างนี้หรือรูปนามก็เป็นอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกสุขทุกยังไงเรียกว่าเวทนาก็เกิดดับทางนั้นไม่เหลืออยู่สัญญาความจําสังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรับรู้ก็ทาหน้าที่ของเขาอย่างนั้น แต่จิตที่ไปยึดถือเอาว่าเป็นตัวเราของเรานั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะว่าจิตมีพบมีชาติมีตัณหาอุปทานนั่นเององค์สมเด็จพระาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วว่าวิชาตัณหาอุปทานนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจของมนุษย์เนี่ยมีแต่ความทุกข์ยากลําบากมานับพบนับชาติไม่ถ้วนพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนโครต้นโพพุทธบาลังนั้นอะ รัตนบาลังอันเป็นบาลังที่สําคัญที่ท่านอธิษฐานถึงชีวิตทำไม่ได้แต่สรู้แล้วจะยอมตายนี่ม่ไชาตินิชาติเดียวที่พระองค์ได้แสวงหาธรรมแสวงหามานับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อพระองค์ยังเป็นบรมปรภริษัทเจ้าอยู่พระมบรมปรภริษัทเจ้าทุกพระองค์นั้นน่ะที่ได้บําเพ็ญบารมีมาเป็นที่จะมาเป็นพุทธเจ้าข้างหน้าจึงมีพระมหากราบได้คุณ มากมา่หาประมาณไม่ได้องค์สมเด็จพระศ า, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเราก็จะระลึกกราบไหว้พระเจ้าของเราเทพองค์มีพระมหากราุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดทาที่ประมาณไม่ได้พวกเราสรรเสริญคุณของท่านทั้งโลกนี้ก็เหมือนกับ น, นกตัว น, น้อยส่งเสียงร้องอยู่ในอากาศฉะนั้นในอนันตจักรวาลที่ไม่มีประมาณนั้น คนของพระพุทธเจ้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากหาประมาณไม่ได้อภปมาณโนพุทธโธนะคณของพระพุทธเจ้านั้นหาประมาณไม่ได้อภปมาณโอธโมคุณของพระธรรมก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันเพราะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังจิตใจของเหล่ามนุษย์เทวดาพรหมแล้วน่นะให้เกิดความรู้ความเห็นเกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมาได้ถ้ามาเรียนสายพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราก็เหมือนคนตาบอดจิตใจบอดเมื่อมิตรปิดบงังไปด้วยอวิชชาทันหาวัฏฐานที่จะพาพวกเรานั้นมีแต่จะให้ใจของเราเป็นทุกข์อยู่ล่ําไปเหมือนคนตาบอดเดินไปไหนก็นลําบากตกบอต่อตกเขียวตกน้ําตายก็มากมายเพราะว่าไม่รู้อวิชชาก็คือความไม่รู้นี้พระพุทธเจ้าได้ทําลายไปแล้วด้วยพระปัญญาควรของพระพุทธเจ้าซึ่ไม่มีใครจะเสมอเหมือนได้ เมื่อพระองค์ได้มีปัญญาอันแหลมคมเช่นนั้นสามารถทําลายอวิชชาได้เป็นพระองค์แรกเราจึงระลึกคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นมีพระปัญญาที่คุณที่ไม่มีใครจะบำหาเทียบได้เมื่อพระพุทธเจ้าได้มีพระปัญญาคุณเช่นนั้นทําจิตให้บริสุทธิ์จึงเป็นจิตที่มีความบริสุทธิ์ผ่องใสบริสุทธิ์ที่คุณไม่มีกิเลสอวิชชาแต่ณอุปท า, านทั้งหลายอยู่ในใจของพระพุทธเจ้า เมื่อเรามาระลึกถึงคุณของพระเจ้าเช่นนี้ทั้ง3ประการจิตใจย่อมจะเกิดปิติเกิดปามโมดเกิดความสงบผ่องใสขึ้นมาได้หรือเราจะระลึกถึงคุณของเทวดาเป็นอารมณ์ซะก่อนว่าเทวดานี้มีฮิริความละอายโอตปาความเกรงกลัวต่อบาปเราก็เคารพในเทวดาที่มีคุณงามความดีแล้วก็พยายามทําคุณงามความดีตามที่เทวดาเคยทําเราก็จะเป็นเทวดา ก็เท่ากับว่าเราก็ระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อเราได้ประบัดประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อยู่ในจิตใจของเราเสมอแล้ว mm. ก็เชื่อว่าเรานั้นได้เดินตามพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจนใจของเรานนั้นเป็นพระสงฆ์สาวกเองก็คือการประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์สมบัติจิตมีร่างกายนี้เป็นมนุษย์จิตเป็นมนุษย์ด้วย ต่อมาเมื่อเราสร้างคุณงามความดีมีโอกาสเวลาก็จะพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นไปเป็นใจของเทวดาเทวดานั้นเราอาจจะมองเห็นได้ด้วยตาทิพย์เพราะเทวดานั้นมีกายเป็นทิพย์เราจะเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ตาเนื้อนี้ก็เห็นสิ่งที่เป็นวัตถุหรือว่าเห็นกายก็กายที่เป็นวัตถุมีหนังนี้หุ้มอยู่เราก็เห็นได้ด้วยจกักรุ ตาเนื้อที่ดีถ้าจักขโของเรานี้ไม่ดีมีปัญหาเราก็จะเห็นกายเนื้อกายมรดนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะจะักู่ตาเราไม่ดีแต่ถ้าว่าตาใจของเรานั้นมันดีเนี่กว่าเป็นตาทิพตตาทิพตก็จะเห็นสิ่งที่เป็นทิพได้เห็นกายที่เป็นทิพได้เห็นกายหรือว่าจิตที่เป็นทิพขึ้นมานั้นน่ะนัะเราก็จะเห็นได้เจียมชัดอย่างปิติอย่างปาโมดให้เกิดขึ้น ว่ากายเป็นทิฟฟิติเป็นทิฟฟิปเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็จะสัมบัติได้ความเชื่อที่มาก่อนเราก็เชื่ออยู่แล้วเต็มจิตเต็มใจของเราว่าการสร้างคุณงามความดีนี้นจะทำให้ใจของเราไปสวรรค์ได้การทำความไม่ดีก็ใจของเราจะตกนรกได้ถ้าเกิดว่าโอกาสสุดท้ายที่ร่างกายมาแตกสลายไปแต่ว่าจิตนั้นไม่ตั้งมั่นคิดถึงอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็จะไปสู่อาบายภูมิ คิดถึงอารมณ์ของกุศล น, นั้นก็จะไปสู่สุคติภูมิเพราะฉะนั้นสุดท้ายของชีวิตนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องต่อสู้กันแต่ว่าในขณะนั้นมันจะมีความเจ็บมีความปวดทนทุกทรมานอยู่ถ้าเกิดวิบากขันเข้ามาเราก็โอกาสที่จะไปสู่สุคติภูมิก็ยากลำบากถ้ายิ่งเราไม่เคยฝึกฝกนอบรมจิตของเราไว้ก่อนไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติภาวนาที่จะเจริญสติ ให้ hey, มีสมาธิมีปัญญาไว้ก่อนแล้วโอกาสที่เราจะไปสู่สติภูมินั้นก็ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทมันฝึกฝนอบรมบรรสรงสติสมาธิปัญญาของเราไว้หรือเดินอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างน้อยเราเป็นผู้ทําทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติมีการภาวนาเป็นปกติไมกว่าภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการภาวนาเราทําอย่างนี้เสมอแล้ว จิตของเราก็จะมีความตั้งมั่นมีสติมีตาที่ดีตาที่เป็นทิพย์เห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ได้อย่างเช่นในสมัยพุทธกาลนะั่นแหละเมื่อมหาบาศกกู้หนึ่งนี่แหละนะกายนี่จะแตกดับไปเทวดาสวรรค์ทุกชั้นฟ้าก็เอาราชรถมารับท่านก็จะเลือกไปในสวรรค์ชั้นไหนก็ได้เพราะบุญบา ร, รมีนะี่ทำม า, มากแล้วแต่ว่าท่านก็มองเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ นะท่านก็เลยยับยั้งไว้ว่าเดี๋ยวก่อนท่านกำลังฟังสวดฟังพระสวดมนต์อยู่ขอเราเทวดานั้นอนะ่ะกลับไปก่อนนะเพราะว่าเรากาลังสวดมนต์อยู่ฟังสวดมนต์อยู่ท่านก็หลับตาพระเจ้าพระสงฆ์นึกว่าเข้าใจว่าท่านรัตนาให้กับวัดก็กลับไปก่อนเมื่อท่านเลืมตามาแล้วลูกสาวก็ถามว่าอา้าวทาไมเมื่อกี้เมดาจึงบอกให้พระท่านกลับไปก่อน ท่านเลือมตา ม, มาไม่เห็นพระท่านก็เลยถามลูกสาวเหมือนกันท่านก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อกี้เราเทวดามาทุกสวรรค์ชั้นฟ้าบอกยับยั้งว่าอย่าเพิ่งมาเลยให้กลับไปก่อนเรากําลังฟังพระท่านได้สวดมนต์มีปิติมีความสุขใจนะท่านยังไม่ไปที่ไหนต่อมาท่านก็เลยว่าถึงกาละแล้วที่ท่านจะต้องทํามรณะมาถึงท่านก็ได้โยนพวงดอกไม้ลอยขึ้นไปนะอยู่ที่ราชรถ ของเทวดานในชั้นตุสิษย์ท่านก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นตุสิษย์ลูกษาก็เห็นดอกไม้นั้นนะก็ลอยอยู่กลางอากาศเป็นที่เกิดสัทธาเริ่มใสเกิดขึ้นมาอันนี้เห็นได้ว่าเมื่อจิตใจของบุคคลที่เป็นทิพย์แล้วก็ย่อมเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ถึงกันเห็นกายที่เป็นทิพย์เห็นธรรมะที่ละเอียดขึ้นไปอีกพิจารณาแล้วเกิดขึ้นมาใน ใ, นใจ เมื่อเราได้พัฒนาใจของเราในสูงขึ้นไปจากมนุษย์สมบัติเป็นเทวสมบัติก็เรียกว่าวัสนาบารมีนี้ถ้าเร า, าเพื่อปฏิบัติที่ในทางแค่พ้นทุกข์แล้วก็บารมีถึงพระโสดาบันบุคคลที่เดียวเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในองค์สมเด็จพระศ า, าสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเราจะทําบุญวัสนาบารมีของเราไปอีกอาจจะปัตตนาที่จะพบองค์บรมโพธิสัตว์เจ้าพบพระศิรยเมตไตรพระพุทธเจ้าข้างหน้า อันนี้ก็จะเกิดขึ้นเนือเป็นไปได้ที่จะได้สมความปรารถนาเมื่อพวกเรานั้นแม้ว่าจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าของเราหรือได้พบมาแล้วเราอาจจะหลงลืมไปแต่คุณงามความดีที่เราได้สร้างบ้าชาตินี้แหละในทานในสิ้นในภาวนานั้นถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าของเราพระ อ, องค์หน้ามาตรัสรู้เราก็จะได้เกิดมาทันพระเสรีเมตไตรก็อาจจะได้สดําเร็จความเป็นประสงค์สาวกในชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายของเราก็ได้ หรือชาตินี้ถ้าเราหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเอาไว้ในทานศีลภาวนาแล้วก็อาจจะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้เองไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นกายเนื้อแต่เห็ น, นได้กายธรรมนั่นเองก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจเ พ, พื่อพิสปฏิบัติในทานศนีลภาวนาให้มีความเชื่อมั่นในคุณงามความดีในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าบุญกุศลที่พวกเราได้ทํานั้นทานศีลภาวนานั้นย่อบรรยผลปีความสุข แต่ความสุขทั้งหลายที่เราได้รับนั้นก็ยังเป็นของไม่จีรังยั่งยืนท่านจึงสอนให้เราพิจารณาระวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายเพื่อให้ใจนั้นมุ่งสู่ น, นิพพานมุ่งสู่ความสงบสุขมุ่งสู่สันติสุขที่ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะพบมนุษย์ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพบเทวดาก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพบพรมก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยังเวียนไว่ายตายเกิดเมื่อเวียนไว่ายตายเกิดก็มีโอกาสที่จะพลาดไปสู่อปัปปเยภุมิได้ ในเบื้องตอนอง้นพระองค์ึงสอนให้พวกเรามีศีลที่มั่นคงปิสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาที่สามารถเอาชนะกิเลสได้เราจะได้ไม่ไปสู่อบิยภูมิและก็สร้างสมบูรมบารมีจนจิตของเราพัฒนาขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพรหมจนถึงนิพพานอันนี้แหละเป็นหลักปฏิบัติอยู่ในคําสอนของพุทธเจ้าของเราเมื่อเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นในเบื้องต้นแล้วก็หมั่นสร้างคุณงามความดีอย่าปล่อยวันคืนนี้ให้มันล่วงเลยไปนะโดยที่ตั้งอยู่ในความประมาท จิตยิ่งจะเมื่อมิตรปิดบงังไปเรื่อยๆแต่เมื่อสร้างคุณงามความดีนั้นจิตก็ค่อยๆขาวจิตจะค่อยๆสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพระจิตพระพัฒร์สอนที่มั่นคงดํารงมัน่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือนิพพานนั่นเองข อ, ขอให้กุศลผลบุญบารมีนั้นต้องเป็นเหตุเป็นปใจใัจจัยพวกเหล่านั้นประสบความสุขความเจริญด้วยมนุสสมบัติสวรรมบัตินิพพานสมบัติปัฏฐานสิ่งเงื่อนประการใดแล้วขอให้สมความปาัฏฐานพร้อมด้วยอายุวรนลนะสุขะพัละ ปฏ e. Enough, ิภาณธรรมาสารสมบัต right? ิถ้ามีพบมีช่เกิดขึ้นอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าความเปิดคล่องทั้งหลายนั้นจงอย่าได้มีแก่พวกเราทุกการทุกทุกท่านเทินสาธุ